ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักขิตาจารย์ชาสีลังการจนาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขนาดของภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งแวดล้อมภูเขาสิเนรุอยู่สำหรับภูเขาสิเนรุก็มีขนาดความสูงก็คือ อย่างลึกลงในห่วงมหนันโนบแปดหมืนสี่พันยดสูงขึ้นไปก็เท่านั้นด้านข้างแต่ละข้างยาวแปดหมืนสี่พันยดยอดสูงหนึ่งแสนหกมืนแปดพันยดข้างทิศตะวันออกก็เป็นสีเงินทิศใต้ก็เป็นสีแก้วอินทนิลทิศตะวันตกก็เป็นแก้วผลึกแล้วก็ทิศเหนือก็เป็นสีเหมือนกับทองคำ สำหรับภูเขายุคันทรก็สูง 84,000 โยศยังลงในห่วงมหานนบ 42,000 โยศสูงขึ้นไปข้างบนก็ 42,000 โยศว่าง 22,100 โยศส่วนของภูเขายุคันทรเป็นต้นตั้งอยู่วงรอบภูเขาสินเนรุดุดวงกลมแห่งร่มดังนั้น ส่วนบริเวณลานกลมข้างข้างด้านในจึงมีเนื้อที่ 756,000 โยชน์ด้านภายนอกก็ 822,000 โยชน์ระหว่างภูเขาสิเนรุกับภูเขายุคันทร์ทั้งสองลูกมีทะเลกว้าง 8,400 ข อ, อโทษครับ 84,000 โยชน์ 8, 000, รือ 84,000 โยชน์ใกล้เคียงกับภูเขาสินเนรุ ทะเลนั้นลาดชันลงตามลำดับลึกสี่หมื่นสองพันโยใกล้เคียงกับภูเขายุคันทรถัดจากนั้นมีภูเขาอิสินทรสูงสี่0มื่นสองพันโยยังลงในห่วงมหานนกสองหมื่นหนึ่งพันโยสูงขึ้นไปข้างบนสอง0มื่นหนึ่งพันโยกว้างหนึ่งโมื่นห้าพันโยลานกลมข้างด้านในลานกลมด้านด้านในนี่ หนึ 1> 1, 000, 1, 000, 1, 000, 3, ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยยด้านข้างภายนอกหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยระหว่างกลางภูเขายุคันธทรกับภูเขาอีสินทรมีทะเลกว้างสี่0มื่นสองพันยอลึกสี่0มื่นสองพันยอใกล้เคียงกับภูเขายุคันธทรทะเลนั้นลาดชันสูงขึ้นตามลำดับลึก สองหมื 21, ่นหนึ่งพันยอใกล้เคียงกับภูเขาอิสินทรถัดจากนั้นมีภูเขากระวีกะสูงสองหมื่นหนึ่งพันยอยังลงในห่วงมหนหนึ 1, ่งแสนห้าร้อยยนสูงขึ้นไปข้างบนก็หนึ่งแสนห้าร้อยยขอโทษครับหนึ่งหมื่นนะหนึ 1, ่งมื่นห้ารอยยอ ภูเขากระวิกานี้สูงสองหมื่นหนึ่งพันโยัย่างลงไปครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นห้าร้อยโยสูงขึ้นไปก็หนึ่งหมืนห้าร้อยโยกว้างห้าพันสอง้ยห้าสิบโยลานโกรมด้านในก็หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันโยข้างด้านนอกหนึ่งล้านสามแสนห้ามื่นสี่พันห้าร้อยโย ระหว่างกลางภูเขาอิสินทรกับภูเขาคะราวิกะมีทะเลกว้าง 21,000 โยชดระหว่างทะเลกว้างนี่เท่ากันทุกรูปเลยนะเท่ากันภูเขาทุกรูปนี้เท่ากันนะทะเลกว้าง 21,000 โยดลึกประมาณใกล้เคียงกับภูเขาอิสินทรทะเลนั้นลาดชันสูงขึ้น 15,000 โยดก็ครึ่งหนึ่งของภูเขาคะราวิกะ ถ่าจากนั้นมีภูเขาสุดทัศนะสูงหนึ่งมื่นห้าร้อยยดครึ่งหนึ่งของภูเขากราวีกะนะแต่และลลกแต่และลูกก็จะมีลดหลั่นกันก็ละครึ่งก็ละครึ่ ง, งและยังลงในห่วงมหานบห้าพันสองรอยห้าสิบยดสูงขึ้นไปข้างบนห้าพันสองร้อยห้าสิบยดด้านขวางสองพันหกร้อยี่ิบห้ายดลานกลมก็หนึ่งล้าน 4แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ารอยโยด้านนอกก็หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันสองรยห้าสิบโยระหว่างกลางภูเขากะระวีกะกับภูเขาสุทัศนะมีทะเลกว้างลดลงมาครึ่งหนึ่งก็คือหนึ 1, ่งมื่นห้าร้อยโยธหนึ่งหมืนห้ารอยโยลึกประมาณใกล้เคียงกับภูเขากะระวีกะทะเลนั้นลาดชันสูงขึ้น ห้าพันสองร้อยห้าสิบโยธต่อจนั้นมีภูเขาในมินทรสูงห้าพันสองร้อยห้าสิบโยธยางลงในห่วงมหานบสองพันหกร้อยี่สิบห้าโยธสูงขึ้นไปข้างบนก็สองพันหกร้อยี่สิบห้าโยธกว้างหนึ่งพันสามร้อยสิบสองโยธลานกลมข้างในก็หนึ่งล้านสี่แสนหกมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบโยดด้านนอก หนึ 1> 1, 2, ่งล้านสี่แสนเจ็ดมื่นสองพันหกร้อยี่สิบห้าโยระหว่างกลางภูเขาสุทัศนะกับภูเขาในมินทรมีทะเลกว้างห้าพันสอง้อยห้าสิบโยลึกประมาณเท่านั้นใกล้เคียงกับภูเขาสุทัศนะทะเลนั้นลึกลงไปตามลำดับสองพันห้าสองพันหกร้อยี่สิบห้าโยใกล้เคียงกับภูเขาในมินทอนผัานจากนั้นมีภูเขาวินตะระลูกที่หกนะ สูงสองพันหกร้อยี่สิบห้าโยธยังลงในห่วงมหนบหนึ่งพันสามร้อยสิบสองโยธกึ่งกงหนึ่งนะหนึ่งพันสามร้อยสิบสองโยตออีกครึ่งหนึ่งสูงขึ้นไปข้างบนก็หนึ่งพันสามร้อยสิบสองโยธครึ่งด้านกว้างหกร้อยห้าสิบหกโยธลานกลมข้างในหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสาร้อยเจ็ดสิบห้าโย ด้านนอกก็หน 1, 2, ึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองโยระหว่างกลางภูเขาเนมินทรกับภูเขาวินตกะเหล่านั้นมีทะเลกว้างสองพันหกร้อยยี่สิบห้าโยลึกลงก็ประมาณเท่านั้นใกล้เคียงกับภูเขาเนมินทรทะเลนั้นลึกลงไปตามลำดับหนึ่งพันสามร้อยสิบสองโยใกล้เคียงกับภูเขาวินตกะอดลดหลั่นกันลงมา ถัดจากนั้นมีภูเขาอัตตะกันนะลูกสุดท้ายของภูเขาสตตะบริพันธ์แวดล้อมภูเขาเินิรุสูงหนึ่งพันสามร้อยสิบสองยดย่างลงในห่วงมหนันนบหกร้อยห้าสิบหกยดสูงขึ้นไปข้างบนก็หกร้อยห้าสิบหกยดด้านขวางสามร้อยี่สิบแปดยดลานจมด้านในหนึ่งล้านห้าแสนกับอีกหนึ่งร้อยแปดสิบหกยด ด้านนอกก็หนึ่งล้านห้าแสนกับหนึ่งพันหนึ่ง้อยเจ็ดสิบยระหว่างกลางภูเขาวินตกะกับภูเขาอาสักันนะมีทะเลกว้างหนึ่งันสาร้อยยี่สิบยดลึกประมาณใกล้เคียงกับภูเขาวินตกะทะเลนั้นลาดชันสูงขึ้นไปตามลำดับห5 6้อยห้าิบหกยดใกล้เคียงกับภูเขาอาสักันนะ ด้านนอกจากภูเขาอาัสกรณะออกไปมีทะเลน้ำเค็มแสดงว่าทะเลภายในภูเขาสัตบันญัติกนี้เป็นทะเลน้ำจืดนะก็มีทะเลน้ำเค็มลึกประมาณเท่านั้นภูเขาจักรวาลตั้งแวดล้อมจักรวาลทั้งสิน้นลานกลมขนาดเท่ากับสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิโยดังกล่าวมานี้ กจั ก, กรวาลด้านขวางหนึ่งล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบโยดตัดตอนภูเขาสินิรุเครื่องหนึ่งแห่งจั ก, กรวาลก็ห้าแสนห้ามืนเก้าพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าโยดนับแต่ข้างภูเขาสินิรุถึงท่ามกลางชมพูทวีปก็ประมาณสองแสน เจ็ดมืเก้าพันแปดร้อยหกสิบโยชนับจากด้านขวางขอโทษครับนับจากด้านข้างส่วนบนแห่งภูเขาสินิรุไปถึงด้านข้างนูน้นแห่งภูเขาอัส ก, กันะก็สองแสนแปดพันสามร้อยหกสิบโยชนับจากด้านนอกแห่งภูเขาอาสกันะถึงริมสุดแห่งชมพูทวีปมีทะเลน้ำเค็ม หกหมื 66, ่นหกพันห้าร้อยยอดชมพธิวีปด้านขวางก็หนึ่งหมื่นยอดขนาดของชมพธิวีปกับขนาดของทวีปอในชั้นดาวดึงอาสูนพวกนี้จะขนาดพอๆกันหนึ่งหมื่นยอทะเลน้ําเค็มราชันทะเลน้ําเค็มราชันสูงขึ้นตามลําดับจากภูเขาอาสากันนะ ในที่ที่ตั้งอยู่แห่งเกาะทั้งหลายบางแห่งประมาณร้อยวาต่อแต่นั้นไปก็ลึกลงอีกจากกลางชมพูทวีปถึงภูเขาจักรวาลมีทะเลน้ำเข็มสองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบโยชน์ส่วนนิดหน่อยที่หย่อนที่ยิ่งนับไม่ได้ดังนั้นท่านจึงไม่นับสองสามโยชนี้ก็บางทีก็ไม่นับ นับจากส่วนภายนอกภูเขาอาัสสกนะไปถึงภูเขาจักรวาลมีทะเลน้ำเค็มสามแสนห้ามืหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าโยชน์ภูเขาจักรวาลตั้งแวดล้อมจักรวาลทั้งสิ้นภูเขาจักรวาล น, นี้ยังลงในห่วงมหนบแปดมื่นสองพันโยชน์สูงขึ้นไปก็ประมาณเท่านั้นตั้งอยู่แวดล้อมโลกธาตุนั้นทั้งหมด ในด้านนอกจากภูเขาบริพันธ์ออกไปมีทะเลน้ำเค็มมีเกาะใหญ่สี่เกาะมีเกาะเล็กบริวารสองพัน 2, เกาะตั้งอยู่บนแผ่นดินสูงขึ้นจากน้ำในที่นั้ น, น, นในสถานที่เหล่านั้นเพราะข้างด้านทิศ ใ, ใต้แห่งภูเขาซินิรุมีสีแห่งแก้วอินทนินทะเลถูกรัศมีแห่งภูเขาซินิรุนั้นแผ่มาจึงมีสีเขียวดังนั้นทะเลนั้นจึงชื่อว่านีลสาคร เพราะข้างด้านทิศปาจีนมีสีเงินทะเลที่อยู่ตรงกับด้านนั้นก็ขาวมีสีดังน้ํำนมดังนั้นทะเลนั้นจึงชื่อว่าขีระสาครเพราะข้างด้านทิศอุดรมีสีทองทะเลที่อยู่ตรงกับด้านนั้นก็มีสีเหลืองดังนั้นทะเลนั้นจึงชื่อว่าปีตะสาครเพราะข้างด้านทิศปัดฉิมคือทิศตะวันตกมีสีแก้วผลึก ทะเลที่อยู่ตรงกับด้านนั้นจึงมีสีแก้วผลึกโดยปกติน้ำก็มีสีแก้วผลึกดังนั้นทะเลนั้นจึงชื่อว่าปกติสาครประเหตุดังกล่าวนี้ชาวโลกจึงตั้งชื่อทะเลเหล่านั้นว่ามีลสาครนขีระสาครปีตะสาครปกติสาครทะเลที่เราเห็นนี่ก็เป็นมีลสาครนนะสีฟ้าๆเ อ, อีเขียวๆไปป บรรดาทะเลเหล่านั้นท่ามกลางทะเลนีรัสสาครมีชมพูทวีปกว้างหนึ่งหมืนโยธเกาะเล็กห้าร้อยเกาะก็ขนาดนั้นชมพูทวีปหนึ่งหมืนโยธถูกน้ําท่วมประมาณสี่พันโยธภูเขาหิมพานตั้งอยู่บนเนื้อที่สามพันโยธ ด, ดังนั้นที่อยู่ของมนุษย์จึงมีเนื้อที่เพียงสามพันโยธ ด้านขวางภูเขาหิมะผานเนื้อที่ประมาณสามพันยอดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าภูเขาหิมะผานสูงห้าร้อยยอดยาวและกว้างสามพันยนดประดับด้วยยอดแปดหมื่นสี่พันยอดว่าโดยประมาณแห่งต้นว่ามีประมาณเท่านี้คือต้นว่าวัดรอบลําต้นได้สิบห้ายอดกิ่งรอบลาต้นยาวห้าสิบยอแผ่ไปรอบกินบริเวณร้อยยอดสูงขึ้นไปก็ประมาณเท่านั้น ท่านประกาศชมพพธทวีปด้วยอนุภาพแห่งต้นว่านั้นนี้เป็นประมาณก็จะมีต้นไม้ประจำกับเจ็ดต้นนะแล้วก็มีตะใหญ่เจ็ดตะต้นไม้เจ็ดต้นนี้คือต้นแคฝอยต้นงิ้วต้นว่าต้นปาริชาติของพวกเทวดาต้นกระทุ่มต้นกระประพฤกต้นซึกต้นแคฝอยเป็นต้นไม้ของพวกอสูร ต้นงิ้วเป็นต้นไม้ของพวกครุฑต้นว่าของพวกมนุษย์ต้นปาริชาติของพวกเทวดาต้นกระทุ่มอยู่ในอัประโคยานะทวีปต้นกระกระพุกอยู่ในอุตรกุรุทวีปต้นซึกก็อยู่ในปุพระวิเทหทวีปต้นว่านี่ก็ของชมพูทวีปของมนุษย์ชมพูทวีปต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ตั้งอยู่ตลอดกับ ลำต้นใบกิ่งใยส่วนสูงปริมณทลทั้งหมดมีกำหนดเท่ากันทุกต้นดำรงอยู่ยืนนานนี่เป็นต้นไม้ของกัปเลยอยู่ชั่วกัปึงกระทั่งกัปจะพินาศไปในป่าหิมพานซึ่งมีรูปรักษณะอย่างนั้นมีจะอโนดาษลึกและกว้างสิบห้าโยศะกันนะมุนดะสะรัการะสะัฏทันสะกุณาละ สมัมนทากินีสัสีหะปป า, ปาตะทั้งเจ็ดนี้เป็นสระใหญ่อยู่ในป่าหิมพานบรรดาสะเหล่านั้นสะอโนดาตล้อมด้วยภูเขาห้าลูกคือภูเขาสุดทัศนกูดภูเขาจิตกูดภูเขากาลกูดภูเขาคันธมาธนสกูดภูเขาคันธมาที่พระประเพเจ้าอยู่กันที่เงื้อมเขาภูเขาของคันธมาเนี่ยนะ น, น, นั่นถ้าหมู่ละกับเงินเขาเงินภูเขาคันธมาศแล้วก็ภูเขาไกร ล, ลาดกูดนภูเขาเหล่านี้แวดล้อมสานุดาอยู่นะห้าลูปภูเขาสุทัศนะกูดจิตตกูการากูดคันธมาศแล้วก็ไกร ล, ลาดบรรดาภูเขาเหล่านั้นภูเขาสุทัศนะกูดเป็นภูเขาทองสูงสองร้อยยอดภายในโค้ง ม, มีสันฐานดังปากนกกา ตั้งอยู่คลุมสะอนุดาษนั้นภูเขาจิตกูดเป็นภูเขารัตนะเจ็ดประการภูเขาการกูดเป็นภูเขาแร่พลวงภูเขาคันธมาธนะกูดเป็นภูเขาแก้วเพชรตาแมวภายในมีสีเหมือนถั่วเขียวพรั่งพร้อมด้วยคันตชาตสิบชนิดก็คือกลิ่นแห่งรากกลิ่นแห่งแกนกลิ่นแห่งกระพี้กลิ่นแห่งเปลือกกลิ่นแห่งสะเก็ดกลิ่นแห่งหนอ ก, กลิ่นแห่งใบกลิ่นแห่งดอก กลิ่นแห่งผลแล้วก็กลิ่นหอมคือกลิ่นจันได้ระดาดด้วยเถาโอสดนานาประการรุ่งเรืองดำรงอยู่ดุดมีฐานเพลิงข้างในในวันอุโบสถข้างแรมทำคนที่เข้าไปแล้วให้มัวเมาด้วยกลิ่นของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าภูเขาคันธมาศก็คือภูเขาที่ทำให้มัวเมาด้วยกลิ่นนะคันทะแป ล, แปลว่ากลิ่นมัทะแปลว่ามัวเมาก็เป็นภูเขาที่ทาให้มัวเมาด้วยกลิ่น ภูเขาไกลราดกูดก็เป็นเงินน ะ, ะอโนดาษอโนดานี่ก็หมายถึงว่าแสงแดดส่องก็ไปไม่ถึงอ ะ, อะนะจะโอตาโอตาโอตาตะน ะ, ะแผดเผาต่งอะนะก็คือไม่ไม่สามารถที่จะแสงส่งแสงก็ไปถึงเพราะว่าเงื้อมของภูเขาสุสทัศนะนี่ครอบนำไว้ปิดบังไว้หมด ภูเขาทั้งหมดมีส่วนสูงและสันฐานเท่ากับภูเขาสุทัศนกูด ต, ตั้งเรียงรายแวดล้อมสระอนุดาดนั้นอยู่สายน้ำทั้งหลายไหลลงจากภูเขาห้าลูกนี้รวมลงในสระอนุดาดพระจันทร์และพระอาทิตย์เมื่อโครจรผ่านทางทิศทักษินย่อมส่องแสงลอดผ่านตามระหว่างภูเขาเมือ่อเมื่อโครจรขึ้นตรงๆไม่อาจส่องแสงผ่านลงไป เพราะเหตุนั้นแหละสะนั้นจึงเกิดการบัญญัติชื่อว่าอาโนตตะดะโหอโนตตะดะโหก็คือสระที่พระอาทิตย์ส่องแสงลงมาไม่ถึงภายในสระอโนดาษนั้นมีแผ่นมโนศิลาไม่มีปลาและเต่ามีน้ำใสดั่งแก้วพลึกไหลไปที่สระอโนดาษนั้นมีบันไดลงสู่ท่าที่จัดตั้งไว้อย่างดีพระพุทธเจ้าพระประเจกับ พ, พุทธเจ้าพระขีนาศ และฤาษีผู้มีฤทธิ์ย่อมมาสงสนานในสระนั้นทั้งเทวดาและท้าวสกะเป็นต้นก็ย่อมมาอาบและเล่นในข้างทั้งสี่ในสระอโนดานั้นมีทางน้ำไหลอยู่4ีทางคือทางสีหะทางช้างทางมา้าทางโคอุตพะในทางน้ำทั้งสี่นั้นที่ฝั่งแม่น้ำทางสีหะมีสีหะอยู่จานวนมากแม้ที่ทางน้ำนอกนี้ก็เช่นกันคือ ที่ทางช้างก็มีช้างอยู่จำนวนมากที่ทางม้าก็มีม้าอยู่จำนวนมากที่ทางโคอุตสุภะก็มีโคอุตสุภะอยู่จำนวนมากทางน้ำที่ไหลาจากทางสิหะทางช้างและทางม้าไม่เชื่อกันไหลเวียนขวาสานโนดาสามรอบแล้วไหลลงมหาสมุทรทางต่วนแห่งทิศที่ตนไหลามานั่นเองทางน้ำที่ไหลาจากทางโคอุตสุภะด้านใต้ก็ไหลเวียนขวาอย่างนั้น แม่น้ำนั้นชื่อว่าอาวัตตะคังคาทา น, น้ําทางทิศใต้ที่ไหลตรงไปบนหลังหินดาดหกสิบโยชน์นั้นเรียกว่าแม่น้ํากันหะคังคาทา น, น้ําที่ไหลจากนั้นไปปะทะภูเขาพุ่งขึ้นเป็นสายน้ํารอบด้านประมาณสามคาวุธไหลไปทางอากาศหกสิบโยชน์น้ําชื่อว่าเอในที่นั้นก็ได้ชื่อว่าอากาศคังคา เลยไปตกที่แผ่นหินชื่อติยัคคะแผ่นหินแตกไปเพราะแรงสายน้ําณที่นั้นเกิดเป็นสะโบคารณีชื่อว่าติยัคคลากว้างประมาณห้าสิบสีโยศแม่น้ําตรงที่ที่สายน้ําทําลายฝั่งสะโบคารณีไหลเข้าไปภายในแผ่นหินไประยะหกสิบโยศชื่อว่าพระหัะคังคาแม่น้ําตรงที่ที่สายน้ําทําลายแผ่นดิน ทำลายแผ่นหินภายในไหลไปทางอุโมงค์ระยะทางหกสิบโยชน์ชื่อว่าอุมังคะคังคาทานน้าไหลจากที่นั้นไปปะทะภูเขาติรัชานะชื่อวิญยะวินชะไปปะทะภูเขาติรชานชื่อว่าวินชะกลายเป็นแม่น้ำห้าสายไหลไปดุดนิ้วมือห้านิ้วบนฝ่ามือก็แม่น้ําเหล่านั้นเรียกว่า แม่น้ำสายใหญ่ก็คือมหานาทีห้าสายก็ได้แก่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอาจิราวดีแม่น้ำสระูแล้วก็แม่น้ำมหีอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำห้าสายใหญ่ในชมพุทวีปในอินเดียนั้นสะชัตทันยาวและกว้างห้าสิบโยต์ตรงกลางสะฉัตทันนั้นเนื้อที่ประมาณสิบสองโยต์ไม่มีแหนไม่มีสาลาย น้ำมีสีเหมือนก้อนแก้วมณนีขังอยู่ก็ในระหว่างถัดจากนั้นมีป่าสีเขียวเหลืองกว้างหนึ่งโยธมีกลิ่นหอมขึ้นแวดล้อมน้ำนั้นถัดจากนั้นไปก็มีป่าอุบลเขียวกว้างหนึ่งโยธมีกลิ่นหอมขึ้นแวดล้อมป่าสีเขียวเหลืองนั้นมีป่าอุบลแดงป่าอุบลขาวป่าปทุมแดงป่าปทุมขาวและป่าโกมุตกว้างหนึ่งโยธ ขึ้นแวดล้อมป่าก่อนถทัดๆดจนไปก็ในระหว่างป่าเจ็ดป่านี้ด้วยอำนาจป่าถีเขียวเหลืองนั้นแม้ทั้งหมดนั้นก็มีป่าคละกันกว้างหนึ่งโยศขึ้นแวดล้อมป่าเหล่านั้นในระหว่างถัดจากนั้นในน้ำอันเป็นประมาณที่อยู่อาศัยของพวกหน้ามีป่าข้าวสารีแดงเนื้อที่กว้างหนึ่งโย ในระหว่างถัดจากนั้นในที่ ร, บรอบๆน้ําก็มีป่ากอไม้กอเล็กๆได้ระดาษด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวป่าทั้งสิบแห่งนี้กว้างแห่งละหนึ่งโยศต่อแต่นั้นก็มีป่ า, า, าถัถ่วราชมาศเมล็ดเล็กถั่วราชมาศเมล็ดใหญ่และปา่าถั่วเขียวในระหว่างถัดจากนั้นก็มีป่าแตงโมป่าพักทองป่าน้ำเต้าป่าพักเขียวและป่าถาวัน ไม่มีใครไปปลูกไว้เลยนะก็คเกิดด้วยอนาจของอุตตุเป็นอุตตุนิยามเป็นพีชานิยามต่อแต่นั้นมีอ้อยลำต้นขนาดเท่าต้นหมากอ้อยยักษ์เลยนะในระหว่างถัดจากนั้นมีป่ากล้วยมีผลขนาดเท่างาช้างต่อแต่นั้นก็มีป่าข้าวสาลีในระหว่างถัดจากนั้ น, ก, น, าา น, นก็มีปา่ า, า, น า, า, นนปาขนุนผลขนาดเท่าตมท่านพระโกนทัญญะนะ อ้ายาคนย่าไปอยู่ที่สัจธรรมนี่แหละก็มีพญาช้างชัดทันคอยดูแลอุปถาดนะแล้วก็เอาพวกผลาผลพวกขนุนพวกกล้วยอะไรนี่แหละมาถวายมาสักการะท่านกาปรินิพานที่สัจธรรมนี้นะต่อแต่นั้นมีป่ามะม่วงและป่ามะขามมีผลอร่อยต่อแต่นั้นก็มีป่าไม้มะขิดต่อแต่นั้นก็มีราวป่าใหญ่คระกันต่อแต่นั้นก็มีป่าไผ่ ผู้เขาเจ็ดลูกแวดล้อมป่านั้นแม้ไม้แก่นใหญ่ที่เหลือก็อย่างนี้เหมือนกันข้าพเจ้าได้ประมวลนำคําพรรณนาป่าหิมพานในเวสันตอนชาดกและคําพรรณนาเงื้มเขานันทะมูลกัอันเป็นที่อยู่ของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดมาแสดงไว้ในที่นี้นี้เป็นคพนาพรรณนาถึงป่าหิมนผานนะ ในถิ่นที่อยู่ของมนุษย์เนื้อที่ประมาณสามพันโย์มีนครแปด0มืนสี่พันนครมีกุสาวสดีราชธานีเป็นเมืองหลวงและมีแว่นแคว้นคามนิคมชนบทเหมาะสมกับนครเหล่านั้นเรียงรายด้วยแม่น้ำที่ไหลไปหลายพันสายสมบูรณ์ด้วยอุทยานและป่าไม้ผู้ปรารถนาพึงถือเอาคำพนานาชมพุทวุวีตามในที่กล่าวแล้วในอนาคตะวงศ์ในตอนที่ท่านพน า, นาถึง นี้เป็นคําพัฒนาชมปูทวีปแล้วก็ท่านแสดงไว้หลายที่นะในเวสนาณชาดกนั้นก็นํามาแสดงถึงคําพัฒนาปาหิมพานแต่ในานาคตวงก็มีการพัฒนาถึงชมพูทวีปก็จะมีการแสดงละเอียดในที่นั้นในานาคตะวงในห้องแห่งจักรวาลหนึ่งนี้พระจันทร์กับพระอาทิตย์สองดวงนี้หมุนเวียนกันสองแสง ในพระจันทร์กับพระอาทิตย์สองดวงนั้นพระจันทร์อยู่ภายในวิมานแก้วมณีวิมานนั้นภายนอกหุ้มด้วยเงินแม้ทั้งสองด้านมีความเย็นพระอาทิตย์อยู่ในวิมานทองภายนอกหุ้มด้วยแก้วพลึกแม้ทั้งสองด้านมีความร้อนว่าโดยขนาดของพระจันทร์วัดตรงก็49โยต์ส่วนวงกลมก็150โยน์ไม่ต่ำกว่า3โยต์ พระอาทิตย์วัดตรงก็ห้าสิบโยธแต่ขนาดวงกลมร้อยห้าสิบโยธก็ขนาดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอันนี้โดยทางพุทธศาสนาแต่ทางโลกก็ขนาดต่างกันมากมายเลยพระจันทร์อยู่ข้างใต้พระอาทิตย์อยู่ข้างบนระยะดวงจันทร์ห่างจากดวงอาทิตย์นั้นประมาณหนึ่งโยธวัดจากพื้นข้างล่างแห่งดวงจันทร์ถึงพื้นข้างบนแห่งดวงอาทิตย์ร้อยโยธพระจันทร์โคจรไปตรงจะช้า โครจรไปเฉียงจะเร็วด้านข้างทั้งสองมีดาวนักสัตว์ทั้งหลายโครจรไปพระจันทร์โครจรเข้าใกล้ดาวนักสัตว์นั้นๆดุจแม่โคโนมเข้าใกล้ลูกโคตัวดาวนักสัตว์ทั้งหลายจะไม่ละที่ตั้งของตนดวงอาทิตย์โครจรตรงจะเร็วโครจรเฉียงจะช้าดวงอาทิตย์เมื่อวันอุโบสถข้างแรมล่วงไปเพราะถึงวันแรมหนึ่งค่ำก็จะโครจรทิ้งดวงจันทร์ไปห่างหนึ่งแสนโยธ อันหนึ่งดวงจันทร์จะปรากฏเป็นดุจรอยเขียนแม้ในดิถีที่สองก็หนึ่งแสนโยชน์จนถึงวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำก็จะโครจรทิ้งดวงจันทร์ห่างออกไปถึงหนึ่งล้านห้าแสนโยชน์สิบห้าวันนะะอันหนึ่งดวงจันทร์จะขยายตามลำดับจนเต็มดวงในวันเพ็ญในวันแรมหนึ่งค่ำก็จะโครจแรแล่นไปหนึ่งแสนโยชน์อีก แม้ในดิถีที่สองก็หนึ่งแสนโยธจนถึงวันอุโบสถข้างแรมดวงอาทิตย์ก็จะโคจรแน่นจิตตามดวงจันทร์ระยะหนึ่งล้านห้าแสนโยธครั้นแล้วดวงจันทร์ก็ลดลงตามลำดับในวันอุโบสถข้างแรมก็โคจรถึงส่วนภายใต้แห่งดวงอาทิตย์แล้วจะไม่ปรากฏเพราะแสงแห่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองย่อมโคจรไปร่วมกัน ถามว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นั้นมีวิถีทางโคจรอย่างไรตอบว่ามีสามวิถีทางคืออัชวิถีนาควิถีแล้วก็โควิถีอัชวิถีก็วิถีแบบแพะนาควิถีก็นิถิวิถีแบบหน้าโควิถีก็วิถีแบบโคนะนี่เป็นการแสดงวิถีทางโคจรของพระจันทร์กับพระอาทิตย์ในวิถีเหล่านั้นราศีสี่มีอุสภะราศีเป็นต้น ชื่อว่าอาชาวิถีราศีสี่มีกัญญาตุลามีนาอชชาชื่อว่านาควิถีนี่ก็นับตามเดือนนะนะราศีสี่มีวิชิกาเป็นต้นชื่อโควิถีในวิถีเหล่านั้นน้ําเป็นสิ่งปฏิกูลสําหรับแพะทั้งหลายแต่น้ํานั้นเป็นสิ่งน่าชอบใจของพวกนา อันนี้ก็เป็นเรื่องของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่เป็นสติทางโลกทางของพวกชาวชมพูทวีปในยุคโบราณนะในคำพี์แสดงจันทรกติและสุริยคติเนี่ยกล่าวไว้ว่าพึ่งทราบว่าเดือนสี่เดือนคือพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์อันนี้ชื่อว่าอาัชวิถีวิถีแบบแพะกี่เดือนนะตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยนะ จุชิกาธันวามกรากุมพาชื่ออาชาวิถีอีกสี่เดือนก็คือกันยายนตุลาคมมีนาแล้วก็มีนาคมแล้วก็เมษายนนะสี่เดือนนี้ก็ตั้งแต่เดือนเท่าไหร่เขาไม่ได้รับไล่กันเลยเนี่ยตุราแล้วไปมีนาเลยได้ไงกุมพาต้องมีนาคนนะ ออเป็นกัญญาตุดามีนาเมธาชื่อวานาคาวิถีกรักราสิงหาพุทธภานิทุนานี่ชื่อว่าโควิถีอกรักกาสิงหาแต่นัน่นน่าจะพิมนผิดนะน่าจะพิมพ์ผิดอออือ เ, ออเออท่านบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งป็นกูลสําหรับแพ น้ำเป็นสิ่งชอบใจสำหรับพวกหน้าสำหรับโคอุดสภะทั้งหลายน้ำเย็นน้ำร้อนเป็นสิ่งผาสุกรอบด้านดังนั้นในเวลาดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ขึ้นสู่อาชาวิถีฝนจะไม่ตกจะเป็นวิถีของแพฝนจะไม่ตกในเวลาขึ้นสู่นาขาวิถีน้ำฝนจะหลังไหลดุดท้องฟ้าทะลุ ในเวลาที่ขึ้นสู่โควิถีฝนจะมีปานกลางอากาศจะเย็นสบายช่วงหกเดือนตั้งแต่เดือนอาสารหะก็คือเดือนแปดไปดวงอาทิตย์จะโครจรจากภูเขาสินิรุเข้าใกล้ภูเขาจักรวาลช่วงหกเดือนหลังตั้งแต่เดือนผุดสะไปดวงอาทิตย์จะโครจรจากที่ใกล้ภูเขาจักรวาลเข้าใกล้ภูเขาสินิรุ ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ย่อมโครจรรอบจักรวาลด้วยประการชนิสเพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโครจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใดก็ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นั้นย่อมส่องแสงสว่างในสถานที่ประมาณเท่าไรย่อมส่องแสงสว่างในสามทวีปในขณะเดียวกันสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าในเวลาที่ทวีปนี้ก็คือชมพูทวีป ด, ดวงอาทิตย์ขึ้น ในปุบพระวิเทหทวีปจะเป็นเวลาเที่ยงวันที่อุตตรากุรุทวีปดวงอาทิตย์ตกที่อัปรโคยานทวีปเป็นเวลาเที่ยงคลื่เที่ยงคืนในเวลาที่ปุบพระวิเทหทวีปดวงอาทิตย์ขึ้นที่อุตรากุรุทวีปจะเป็นเวลาเที่ยงวันที่อัประโคยานทวีปดวงอาทิตย์ตกที่ทวีปนี้คือชมพูทวีปจะเป็นเวลาเที่ยงคืนในเวลาที่อุตรากุรุทวีปดวงอาทิตย์ขึ้น ที่อประโคยานะทวีปจะเป enrolled, ็นเวลาเที่ยงวันที่ทวีปนี้คือชมพุทวีปดวงอาทิตย์ตกที่ปุภาวิเทหทวีปจะเป็นเวลาเที่ยงคืนส่วในเวลาที่อประโคยานะทวีปดวงอาทิตย์ขึ้นที่ชมพุทวีปจะเป็นเวลาเที่ยงวันที่ปุภาวิเทหทวีปดวงอาทิตย์ตกที่อุตรกุโรทวีปก็จะเป็นเวลาเที่ยงคืนนั่นก็จะไม่ส่องแสงให้เห็นสามสาทวีปนะ ตามทวีตเช้ากลางวันเย็นนั่นแหละแต่ว่าอีทวีตนึ่งก็กลายเป็นเวลา ก, กลางคืนไปดาวนักสัตวมีดาวฤกษ์เป็นต้นปรากฏพร้อมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกชื่อว่ากลางวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนะทั้งถึงอรุณขึ้นชื่อว่ากลางคืนกลางคืนและกลางวันปรากฏอย่างนี้สามสิบคืนสามสิบวัน สามสิบคืนวันเนี่ยนะเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีเดือนและปีก็ปรากฏดังว่ามานี้นะส่วนอวิถีสามวิถีนี่นะวิถีของแพะเนี่ยก็เป็นฤดูหนาวไปนะไม่มีน้ําแพะไม่ชอบน้ํอาอ่าพฤศจิกาธันวามกรากรุ่งพานะอส่วนวิถีของนาคนี่ก็เป็นฤดูฝนนะอวิถีของนาคนี่เป็นฤดูฝน กนะ็จะต้องเดือน 8, 9, 10, แปดเก้าสิบสิบเอ็ดแหละกันยาตุลานะนี่พวกนี้เป็นวิธีของฤดูฝนส่วนวิถีของนาคก็เป็นอ่าฤดูขอโทษวิธีของกกออออดดขอ ง, ของนาคนะฤดูฝนแต่วิถีของโคก็ฝนตกก็ได้ไม่ตกก็ได้อันนี้ก็ตั้งแต่เดือน เมษาตุรร้อนนะนะเมษาเดือนเมษาเดือนพฤษภาอโทษตั้งแต่เดือนมีนาเมษ า, าอ่าพฤษภามิถุนาอันนี้กวรจะเป็นวิธีของโคเขาเขียนกลับกันนะนะอาชาวิถีวิธีของแพ้ก็เดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองนะพฤศจิากาธันวามกราคมพา ส่วนวิถีของหน้าวิถีของโคก็เมษามีนาเมษาพุทธภามิทุนาส่วนวิถีของหน้าก็กัญญาตุรากระกระดาสิงหากัญญาตุรานะก็ตั้งแต่เดือนเจ็ดแปเก้าสิบ นะถ้าวิธีของหน้าก็ตั้งแต่เดือนสามมีนาเดือน 4, สี่เมษาแล้วก็เดือนห้าพฤษภาเป็นหกมิถุนาก็อย่างละสี่เดือนอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชาวชมพูทวีปนะที่มีอายุไม่แน่นอนตั้งแต่สองขปีจนกระทั่งถึงสิบปีแล้วก็ เหตุที่ชาวอุตรกุรุทวีปเนี่ยมีอายุพันปีแน่นอนนี้เพราะอะไรนะก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็สมควรจะเวลาขออนุโมทนาแด่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องของคุณของมสมมาสมุทรเจา้าบทนี้ก็สามารถกล่าวถึงในเรื่องของโลกวิทูในยิสุทธิมากก็แสดงเรื่องของทวีปทั้งสี่จักรวาลต่างๆเหล่านี้แหละในบทของโลกกวิทูก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกบ้างโดยบางส่วนโดยเพราะโรคของตัวของเราโรคภายในโรคภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ขันห้าก็ชัวโลกอายตนะธาทัา้งหลายก็ชัวโลกแต่ท่านรู้แจ้งโลกสำคัญที่สุคือโดยความแปรปรวนเกิดดับไม่เที่ยงตุนสดายคอยตัดรู้เริยสัจธรรมของพระธรมมสมหรับเจ้าในการไม่เลื่อนช้าได้เทินสาธุสาธุสาธุ